س ِ ل عَلَهُمْ يَشْهَدُونَ قَالُوا أَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا قَالُوا أَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا ب ي ا ل ه تنايا إبراهيم <تصفيق> قال بل فعله كبيرهم ا ل بل فعله كبيرهم هذا فسألهم هذا فسألهم แกนุยังต ق คุณฟะรัจ ع ุอิล่าอัลฟุสิหิมฟะกาลุฟะรัจ ع ุอิล่าอัลฟุสิหิมฟะกาลุฟะกาลุอิมเนตุมอัลุบตุลลَริมล و ค أنتم الظالمون سُمّنُكِسُ على, على رؤوسِهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون لقد علمت ما هؤلاء يمطكون. قال أفتعبدون من دون الله؟ قال أفتعبدون من دون الله؟ งอ ل ุมชัยเอาวะ ر ละ م ดุร uh ุ ل ุมซ uh ุ่ม uh ิลล ل ฮุราะห์มานุ ل รฮิมอิ ه นัลฮะมดะลิลลาห์ ه ะฮ์มดุห์วะนะสตัยนุห์วะนะสตักฟิรุห์วะนะอุบิลลาห์ีมินชุรุร์อันฟุซ ل ่าวะมิน أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن م, م ح, ح, ح, ح م د ฉาดอันมุฮัมมั ل ฺะบดฺหฺวะรัสูลฺัลลอฮฺมะบิกะัซบะห์ณะวบิกะัมซัยนฺะวบิกะนะฮฺยา ل บ ا ก ا วบ نش ر ีมะคล بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شايم في الأرض ولا في السماء وهو سميع الس عليم راضيء بالله رب وبالإسلام دينا وبمحمد الرسولا اللهم إني أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر Allahu maafinii في بداني وعافيني في سمعي و ع ف ي ن ي في بصري السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ทีน้องที่ร่วมนมัสซุบฮ์ที่รักทั้งหลายครับบารัมดุลิลละเราต้องนึกถึง Allah ขอบคุณ Allah นะครับที่ Allah ให้เรามีชีวิตอยู่เนี่ยยาวมาถึงวันนี้ เป้าหมายที่อัลลอฮ์ให้เรามีชีวิตอยู่ยาวมาถึงวันนี้เนี่ยมีอยู่เป้าหมายเดียวขอให้เราทําให้ครบเป้าหมายนั้นก็คือละยะบูดูนเพื่อมนุษย์ทุกคนจะได้มีโอกาสรับใช้เป็นบ่าวที่ดีของอัลลอฮ์ سبحانه และก็ุ์อาตัดมีอยู่เป้าหมายเดียวครับขอบคุณอัลลอฮ์ที่เราได้ทบทวนอัลกุรอานโอกาสทบทวนกุรอานมียากครับ พอเวลาอื่นนี่มันสำคัญเยอะจนกระทั่งไม่มีเวลาอ่านคุรานแต่คนที่สละเวลาเจียดเวลานะครับมาทบทวนคุรานคนนี้แหละเป็นคนที่ทาตัวเหมือนท่านนบีเหมือนบรรดาสหบาของท่านนบีในสมัยที่ท่านนบียังมีชีวิตอยู่ซึ่งอัลลอ์ก็เรียกร้องต้องการให้พวกเราเนี่ยทำตัวเหมือนกับที่ท่านนบีได้ใช้ชีวิตอยู่ในวันนั้น ขอบคุณละที่เราได้ทบทวนคุอ่านนี่มาถึงสูราอัลอัมบิยานะครับสูรา่าที่ยี่สิบเอ็ดวันนี้มาถึงอยายะที่หกสิบเอ็ดนะครับพี่น้อง <c oughs> ขอทบทวนนิดหนึง่งอยายะที่หกสิบเนี่ยอัลลอฮ์ได้กล่าวบอกว่ากอลูซมีอาาฟัดัน uh ย um, ัจกคุรุฮุมยุกอลูลลห์อิบรอฮีม สมัานาแปลว่าเราได้ยินประชาชนที่เป็นผู้บูชารูปจเจวตพูดว่าเราเนี่ยได้ยินฟ้ตันแต่ว่าคนหนุ่มหรือว่าเด็กหนุ่มนะครับยาสุกูลุมนะครับเด็กหนุ่มตําหนิตนําหนิหรือพูดถึงพูดพูดตํำนิจเจวีตเหล่านี้นะครับ ใครๆก็เรียกว่าอยู่ก้อนหอลหูลาหูใครๆก็เรียกว่าอิบรอฮีมประเด็นจากคุรอ่ญญานอัยานี้ดูเฉพาะสั์อย่างเดียวเลยน้องฟตันเนี่เป็นคนหนุ่มนะคนหนุ่มนี่อายุเท่าไหร่ท่านอิมามชาฟีนี่บอกว่าอายุสามสิบพออายุสามสิบเนี่ยกลายเป็นพระว่าเป็นคนหนุ่มแต่ท่านอิมามบะบูฮานีฟลาบอกว่าอายุสี่สิบ 40เป็นคอมพลีทแมนเลยนะเป็นผู้ชายที่สมบูรณ์เต็มตัวแข็งแรงมากเลยสี่สิบชาวรับนวฮีพอดีเลยมันเป็นข้อคิดนะจากกุมาเนี่ยจากฮะดีสก็ดีอธิบายอย่างนี้นบีเนี่ยไม่เคยไม่เคยแต่งตั้งนบีคนใดอัลล์เนี่ยไม่เคยแต่งตั้งนบีคนใดนะนอกจากเป็นคนหนุ่มทั้งหมด เหล่าอุลามะก็เหมกันที่ทํางานเข้มๆแข็งๆนี่คนหนุ่มทั้งหมดเนี่ะยิ่งสะสมประสบการณ์ไว้เยอะๆพออายุแก่ๆเนี่ยโอความรู้ยิ่งแน่นฉะนั้นคนหนุ่มเนี่ยสามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองได้แล้วก็เปลี่ยนแปลงสังคมได้ด้วยอ่ะทีนี้คนหนุ่มเนี่ยอโลอักวะถ้าอ่านจากคดีหลายๆบทนี่นะมีความสําคัญมากเลยนะครับ เช่นนบีบอกว่าอะไรนะให้ลูกๆเนี่ยเรียนศาสนาให้อะไรนะให้ลูกๆเราเนี่ยได้ฟังศาสนาได้เรียนศาสนาได้อบรมเรื่องศาสนาตั้งแต่อายุกี่ขวบนะเจ็ดขวบ ม, มันยังเด็กอยู่นะทำไมต้องเริ่มเจ็ดขวบอะนี่ไงต้องการที่จะให้ลูกๆห ล, ล, ล, ลานๆเราเนี่ยอะไรนะมีซึ่งนบีบอกแล้วนะนชะชาอาคนที่จเจริญเติบโตมาเนี่ยอยู่กับการ รำลึกถึงอัลลอฮ์อยู่การปฏิบัติตนต่ออัลลอฮ์นะเป็นทหารกรต่ายนะเด็กเร็ได้ไปสวรรค์เลยถึงจะบาปไม่มีก็จริงแต่ถ้าถ้าได้ฝึอกอาบน้ำในมาศฝึกนามาศฝึอกอา่านอัลกุรอานฝึกท่องดูอาฝึอกอา่านดูอาเข้าบ้านออกจาก บ, บ้านฝึกตั้งแต่เล็ก เ, ก เ, กเกอายุเจ็ดขวบเนี่ยอัลลอฮฺอักบัดีพออายุสี่สิบนี่อัลลอฮ์ความรู้เนี่เต็มไปหมดเลยและเริ่มเอามาใช้ใช้งานตั้งแต่อายุเท่าไหร่สี่สิบ อาไปเนี่ยต้องสะสมประสบการณ์ไว้ตั้งแต่เล็กๆ เ, เลยเพราะอายุสี่สิบนี่ไปอะไรนะออกไปทํางานเนี่ยอัลลอฮ์จะเป็นทํางานดุลยาก็ไม่หลงดุลยาจะทํางานศาสนาอะไรก็ตามเขาจะไม่หลงดุลยาเขาจะมุ่งตรงต่ออัลลอฮ์สุบฮานลลาหูวาตาเลาะตลอดเวลาเอาวันนี้มาดูอายะที่หกสิบเอ็ดนะพี่น้องเ <c oughs> มื่อท่านนบีอิบรอฮีมถูกจับมาแล้วนะครับ ความจริงการจับนบีอิบรอฮีมเหมือนวันนี้เหมือนกันใครที่ทําอะไรไม่ถูกใจรัฐบาลก็จับหมดสมัยก่อนก็จูบมาจับบทใครสั่งจับรู้ไหมไม่ใช่ประชาชนธรรมดานะกษัตริย์นุมรูดสั่งจับเลยครับทีนี้พออ่านจากตัฟซีตอ่านจากฮะดีดแล้วพบว่านาบีอิบรอฮิมเนี่ยอยากจะให้จับอยากจะให้จับ พอจับแล้วก็ต้องมายืนต่อหน้าประชาชนมันมีอยู่สับอยู่คำหนึ่งอายาที่61เนี่ยอายุนินนาสอาลาอายุนินนาสกอลูฟะตูบิฮีอาลาอายุนินนาสละัลละหุมยัชฮัดู “กล่าวฟ้าตุ به على أعين الناس لعلهم يشهدون” ฟ้าตุ به กล่า ا พวกเขากล่าวว่าดังนั้นจงนำอิบรอฮิมาฟ้าตุ به จงจับอิบราฮิมา เป็นความต้องการของนบีบรอฮิมเลยที่จับมาน่ะดีแล้วทตนี <c> ้ <oughs> จับมาทําอะไรครับ อ, อาเลอาญิ น, นจับมาแล้วก็ต้องมาอยู่ที่ท่ามสายท่ามกลางสายตาอายุนแปลว่าสายตามาจากไอโนนไอนา น, นี่อายุนแปลว่าสายตาสายตาใครครับอันนาสประชาชน จับมายืนท่ามกลางสายตาของประชาชนเอาลอนี่แต่ละคำในกนารพิจาราเนี้เอาลอจัดสรรภาษาที่ดีที่สุดอายู่ในหน้าจับมายืนต่อหน้าประชาชนถามว่าจับมายืนต่อหน้าประชาชนมาทำอะไรละอัลละหุมยาสฮะดูนเพื่อเขาทั้งหลายจะได้เป็นพยานต่อการสอบสวน จับมาเพื่อคนจะได้เห็นนี่แหละที่มันมันทำลายรูปเจเวิตเนี่ยจะต้องจัดการมันให้คนมันเห็นกันทั่วโลกเลยหรือทั่วอะไรนะทั่วเมืองวันนั้นเอาทั่วเมืองเพราะทีวียังไม่มีวันนั้นน่ะมาถึงคนมาฟังคนมาดูเนี่ยไม่ใช่คนสองคนนะเป็นแสนน่ะจับโดยยิบรอฮีมาไอคนที่ถูกจับมานี่นะบรรดานาบีหลายคนถูกจับมาแบบนี้แหละ อาลาอะอยุนินาจับมายืนต่อหน้าประชาชนนึกนึก น, ก น, กน บ, บีมูซาก็เคยถูกจับมาเหมือนกันมายืนต่อหน้าประชาชนเคยไหมเคยมีอยู่สองครั้งน บ, บีมูซามีสองครั้งครั้งที่หนึ่งเนี่ยเอ่อฮามานกอรูนฮามาเนี่ยเป็นลูน้องฟาโรนะ่ะเมื่อจับน บ, บีมูซามาให้น บ, บีมูซาประกาศ เขาวางแผนกันนะวางแผนให้นบีมูซาเนะมายืนสอนศาสนาตอนหนะ้าคนเยอะๆเลยแล้วเขาวางแผนอย่างงี้พอสอนไปสอนไปแล้วให้ผู้หญิงจ้างผู้หญิงคนหนึ่งมาพูดแปลว่านบีมูซาเนะเคยทำํำเชนากับฉันอ่าในเขาวางแผนกันหมดแล้วนะก็ะจับนบีมูซาก็ให้ยืนพูดเรื่องศาสนาคนมาฟังเป็นแสนนบีมูซาก็พูดเอาล้อ ah, ว่าอย่างงี้ว่างี้ว่านี้ว่านี้ว่านี้กัลลัมพูดพูดพูดบุญ ผู้หญิงยืนขึ้นมาท่านนะพูดเรื่องการทำศีนาชะไหมอย่าทำดีนานะบอกว่าใช่ถูกต้องอ่ะท่านอยาทำทํา ำ, ท ำ, ทำีนากับหนูโอ้โหว่าย่ังนี้เลยคนก็คือกันใหญ่สิยิ่งยนสนสนใจจะฟังระหว่างนั้นนบับดมูโาขอทูาอัลลอฮฺ อ, อัลลอฮฺช่วยช่วยจัดการหน่อยนับดมูโาเดินไปคุณ แน่ใจว่าคุณทําเป็นานาะก็ฉันเลยเพราะว่าอย่างนั้นผู้หญิงก็กลัวอ่ะเหมือนเอาลอดวาฮีลงมาเนี่ยนะบอกช่วยหน่อยอยาลลอช่วยนิดนึงช่วยแก้ปัญหาให้หน่อยผู้หญิงประกาศเลยบอกว่าฉันถูกจ้างมาต่อหน้าใครอ่าอยู่นินานะต่อหน้าประชาชนเหมือนกันใครเสียอ่านบีฟาโร่เสียฮามานเสียกอรูลเสียครับจับนี่ไงจับคนนี้มาเนี่ย นสมัยนี้ก็มียุ่แยากไปหมดเลยจ้าง ก, กันมาอะไรกันมาเหมือนกันหมดจะนั่นเหตุการ์อย่างนี้เนี่ยเกิดขึ้นในโลกมาแล้วซึ่งนบีอิบรอฮิมก็ถูกเนี่ยถูกจับมานาบีมูซาก็ถูกและอีเรื่องหนึ่งนบีมูซาเนี่ยวันที่ประลอมฝีมือกันพวกมายามายากรใช่ไหมน่ะสามารถที่จะเอาเชือกมาและโยนเชือกเป็นงูทำอะไรเป็นงูได้หมดเลยเนี่ย ปัญหามีอยู่ว่านาบีมูซาก็มาเหมือนกันวันนั้นแต่ไม่ได้ถูกมาเชิญกันมามาประลองฝีมืออาอาลาอายูนินนัสเหมือนกันท่ามกลางสายตาประชาชนฟาโรโยนก่อนโอ<ม>้เป็นงูเป็นพั น, พ น, พ น, แนแสนตัวอยู่กลางกลางอยู่กลางอยู่กลางสนามส่วนนบีมูซา อ, ล อ, าอัลลอฮ์สั่งฟาลุงตีมูซาโยนไม้จะพจดของคุณนี่แหละโยนลงไปต่อหน้าประชาชนเลย พอโยนมาจะพดก็กลายเป็นงูข้าเมือ่องูเล็กๆที่อยู่ในสนามเนี่ยเรียบหมดเลยต่อหน้าประชาชนเหมือนกันวันนั้นคนอีมานเป็นแสนเลยนี่ก็เหมือนกันนบีอิบรอฮิมถูกจับมาต้องการที่จะมาประจานที่ไหนได้นบีอิบราฮิมพูดอลัลลอ์วันนี้นะวันนี้พูดต่อหน้าประชาชนในตัสิดอัฟกัสิดอธิบายไว้ไม่มยู่งหกข้อด้วยกันหนึ่ง เป็นความต้องการอันยิ่งใหญ่ของนบีอิบรอฮีมจับตัวมาแล้วให้อธิบายความต่อที่ประชุมซึ่งมีคนร่วมประชุมกันมากที่สุดในสนามเรื่องที่หนึ่งที่นบีอิบรอฮีมพูดก็คือก ah ัสระตุยะลิหิมพวกเขามีปัญญาที่เบามากพูดยังปัญญาเบาไปกาบโรครูปเจเวต ผูจิเวตพูดได้ไหมพูดไม่ได้โอ้อธิบายอย่างนี้ต่อหน้าคนน่ะเบาปัญญาพวกคุณนะ่ะเบาปัญญาคนโง่นั่นแหละแต่พูดเบานิดหนึง่งวักติและตัอักลีหิมและมีสติปัญญาที่น้อยนิดสองเรื่องแล้วนะเรื่องที่สามฟีอีบะดาติฮะจิลอัลนาำไปกราบบูชารูปเจิเวตนี้ทำไมอัลลตีลาตัฟอันนัซฮบรน ซึ่งรูปเจเวดนี้ไม่สามารถยับยั้งอันตรายให้แก่ตัวเองเวลาตั้มเลกุลหาห์นอสรอนันอีกทั้งไม่สามารถที่จะช่วยเหลือตัวเองได้ฝ่าไกลฝ่ยัลลุมินฮาใช่อุนมินดาล็กแล้ไปขอความช่วยเหลือจากรูปเจเวดนี้ได้อย่างไรพูดทีลประโยคธีลคำละคมอธิบายต่อหน้าคนหมดเลยใครหน้าแตกนบีอิบราฮิมหน้าแตกหรือว่าคนที่บูชารูปเจเวตหน้าแตก คนที่บูชารูปเจ้าเวทต่างหากและหน้าแต่คนนบีอิรบาริพูดภาษานี้ออกไปเห็นอย่างครับยังไงพี่น้องแค่นั้นบรรดานบีทั้งหมดที่ต่อต้านนะครับพวกกรรษัตริย์ทั้งหลายต้องการความยุติธรรมความถูกต้องเนี่ยทุกครั้งที่เขาถูกจับมาเนี่ยเขาไม่เคยกลัวใครเลยนะเขาไม่ได้กลัวเลยพอมายืนพูดและอธิบายความทีละข้อแล้วข้อแล้วข้อแล้วก็ ใครเสียหายนันลักษัสัตระเสียหายนุ่มรูดเอ็มเสียหายและประชาชนที่บูชารูปจ้ะเวททั้งหมดนะ่ะเสียหายหมดเลยทีนี้นคาพีอุกการอธิบายต่อไปอีกอธิบายว่าไงอธิบายบอกว่าคนที่มาถูกจับมายืนต่อหน้าประชาชนเนี่ยอนะัลลอฮฺอัลล ต้องการเนี่ยที่จะทำลายแต่ถ้าหากว่าเขามีสัจธรรมเขามีอีมานเขาอยู่กับอัลลอฮ์อัลลอ์จะไม่ทำให้เขาเสียหน้าเลยแม้แต่นิดเดียวี่เราต้องต้องเข้าใจตรงนี้นะเราเนี่ยอยู่ในหลักการที่ถูกต้องถ้าจะถูกจับมาอิชาอัลลอ์นะอัลลอ์จะคุ้มครอ ง, งบุคคลแล้วนี้ทุกคนเลย เอาต่อมากับยังมีอีกคำหนึ่งลอนและฮุมยัชฮัดูเพื่อพวกเขาทั้งหลายจะได้เป็นพยานต่อการสอบสวนจะได้เห็นชัดๆว่าเป็นอย่างไรแต่นี้กูอานอธิบายคําว่ายัชฮัดูน่ะเป็นพยานเนี่ยในกูอานมีอยู่หลายครั้งว่าพูดว่าเป็นเป็นเป็นอะไรนะเป็นพยานมีอยู่คำหนึง wal ่งอันซ a ลเลหบิอิลมีฮิวลมาลาอิกะตุยัชฮัดู พูดคำอธิบายคำว่าเป็นเป็นเป็นพยานอย่างเดียวเยว Allah นี่ยอัลลอ์เนี่ยประทานอัลกุรอานนะครับอัลลอ์ประทานอัลกุรอานลงมาอันซาเลห์อัลล์ประทานอัลกุรอานลงมาบีอิลมิฮีกุรอานเป็นความรู้ทั้งหมดในตัสิทธ์ภาษาไทายไม่มีนะครับนี่จากตมสิทธ์หลายๆเล่มนะอัลลอ์ประทานอัลอัลกุรอานลงมาบีอิลมิฮี เอาความรู้ของอัลลอ์นั้นใส่ลงไปในคัมภีร์คุรานวลมาลาอิกาตุยะชาดูนมาลาอิกาทั้งหมดเป็นพยานต้องการจะอธิบายคำว่ายาชาดูนคำเดียวฉะนั้นจัดนบีอิบราฮิมาอยู่กลางสนามต่อนหน้าประชาชนให้ประชาชนได้เห็นแต่เห็นครั้งนี้ ทำลายตัวเองไม่ได้ทำร้ายนาบีอิบราฮีมอีกครา้หนึ่งยัชฮาดูนให้ประชาชนได้เห็นเนี่ยเช่นอัลลอ์ประทานคำพีอัลกุรอานมาบียร์อหมีฮีคำพีอักุรอานเป็นความรู้ทั้งหมดนี่เป็นความรู้พี่น้องแล้วใครเป็นพยาบนบรรญาลาอิกาจำนวนลาอิกาเท่าไหร่พี่น้องนึ ก, น, กนึกภาพได้ไมนับจานวนไม่ช้วนฉะนั้นเจ็ด พันล้านบนพื้นนี้ถ้าไม่เอาคัมภีร์อกุรานะอานเนี่ยอัลลอ์ยุบไหมเหลือตำแหน่งอลัลลอฮ์ครึ่งหนึ่งไหมป้าไม่มีเลยไม่มีใครไม่เอาอิสลามบนโลกดุนยาไนี้อลัลลอ์ไม่ได้ยุบสักนิดหนึ่งตำแหน่งของอลัลลอฮ์ก็ยังใหญ่เหมือนเดิมถ้ามนุษย์ไม่เอามาลาอิก้าเอาอยู่แล้ววัลมาลาอิก้าตุยชาดุนมาลาอิก้เป็นพยานวากุรอานนี้มาจากอาลัลลอฮ์ และมีแต่ความรู้ความรู้ความรู้ความรู้มรหมดเลยฉะนั้นนบีอิบราฮีมถูกจับมาไม่ใช่ว่านบีอิบราฮีมกลัวนะอยากจะให้ถูกจับมาแล้มายืนต่อหน้าประชาชนภาษาอรุกอธิบายอย่างนี้นะครับเมื่อจับมาแล้วอุสโกเดชามิลติฮุย พอถูกจับมาแล้วนี่นะอายนะประชาชนเนี่ยหลังจากนาบีอิบรอฮิม อ, อธิบายความแ้บประชาชนที่นั่งฟังอยู่นะ่าอายหมดเลยนะให้เรานี่ไปกราบทําไมอนะ่ะบูชารูปเจ้าเวตทําไมเพราะรูปเจ้าเวตมันพูดก็ไม่ได้ช่วยตัวเองก็ไม่ได้ไล่มแมลงวันที่มาเกาะ อ, อาหารก็ไม่ได้พอนบีอธิบายความหมดแล้วนะคนที่นั่งอยู่เนี่ยอายหมดเลยแล้วก้มหน้ากันหมดเลย ไม่กล้าที่จะนะไม่กล้าที่จะมองหนะ้าเพื่อ น, นไม่กล้ามองต่างคนต่างมีความรู้สึกอายนี่อัลลอ์ลเล่านังกระปีกุรานนะแล้วก็อาเอนดากโก้เยกามนาเกเรแล้วก็นั่งคุยกันว่าเราอย่าไปกราบเลื่องรตวเนี่เนี่ยเป็นข้อเตือนจากนาบีอิบรอฮีมที่ถูกจับมาในวันนั้นนะครับเอาต่อมาครับ “قالوا أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم” “قالوا أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم” قال “ قالوا พวกเขากล่าวว่า หลังจากอิบรอฮีมถูกนำตัวมาแล้วพอมายืนอยู่ตัวหน้าประชาชนป้าพวกเขาถามนบีอิบรอฮีมฟาลฮาดาท่านเป็นผู้ทำฟาลตาเนี่ยแปลว่าท่านน่ะเป็นคนทาฮาดาโจเวตนี้บิอาลีฮาทินาต่อจเวตเหล่านี้ฮาดาอันนี้ใช่ไหม โอ้ถามต่อหน้าคนเลยเพื่อให้นบีอิบรอฮีมตอบถามว่างนะออันตะคุณใช่ไหมฝาอันตะฮาซะที่เป็นผู้ทาอันนี้บิอาลีฮาตินากับรูปจวเจวิของเรานี่บิอาลีฮาเนี่ยมองใดีนะเป็นคำพระหูพจมันไม่ใช่เอกพระเจ้าย่อยๆหลายองค์ พระเจ้าย่อยๆหลายองค์อัลลอฮ์เนี่ยต้องการจะสอนมนุษย์พระเจ้าหลายองค์ดีกับพระเจ้าองค์เดียวดีหรือไงหลายองค์ดีกว่าหรือพระเจ้าองค์เดียวดีดีดีกว่ารพระเจ้าองค์เดียว ด, ดีกว่ า, า, วานบีมุฮัมมัดเนี่ยามาสอนเรื่องให้เลิกพระเจ้าหลายองค์มานับถือพระเจ้าองค์เดียวใช้เวลาที่มาก่ากี่ปี ส3บสามปีถามว่าอธิบายเรื่องให้ทิ้งพระเจ้าหลายองค์มานับถือพระเจ้าองค์เดียวเนี่ยยากหรือง่ายยากยากมากยากมากครับอัลลอ์พอกับนึกนะคิดดูสิอัลลอ์พระเจ้าหลายองค์เนี่ยยิ่งฮินดูเนี่ยในประเทศอินเดียนขณนะนีน้มีพระเจ้าประมาณสามห0ืนองค์อะ่ะพระเจ้าฝนพระเจ้าแดด อ๋อหลวงพระเจ้าพรมรเต็มพมรเพระเจ้าเป็นสามหมืนกว่าองค์อ่ะอัลลอฮฺอักบะตพระเจ้าแดดพระเจ้าอาหารพระเจ้าลมพระเจ้านุนพระเจ้านี้หน้าที่เต็มหมดเลยนบีมาอธิบายความเรื่องนี้ใช้เวลาสิบสามปีอัลลอฮฺอยู่ที่มะ ก, กาเส็จแล้วอยู่ได้ไหมมะ ก, กาอยู่ไม่ได้ต้องอพยบพรุนี้วางแผนเล่นงานฆ่านาบีมุฮัมมัดสุลัยมุสลัม กด้านการดาว่าเชิญชวนคนให้รู้จักอลัลลอฮ์เนี่ยเป็นงานที่ยิ่งใหญ่มากเลยนะเปลี่ยนแปลงหัวใจคนเนี่ยอลัลลออัลกุอ์อักบัรเรื่องยากหรือเรื่องง่ายยากแต่ทหารก็พยายามพยายามสมำเสมสเออินชาอลัลลอฮ์รางวัลของคนที่ทำงานศาสนาจึงใหญ่แล้วก็มากกว่างานอื่นทั้งหมดยาอิบรอฮิมอิบรอฮิมเ อ, อ๋ยคุณใช่ไหมที่ทำลาย ที่เป็นผู้กระทํากับพระเจ้าย่อยๆยของเราเอาต่อมาครับ63กแลบัลฟะเลยหูกะ ب ีรุหมฮาจ่าฟาสอัลูหุมอินกานูยัมติคูนกาลบัลฟะเลยหูกะ ب ีรุหมฮาจ่า ฟัซอะลูหุมอินคาหนูยัِต ah ُ و ن َนบีอิบราฮิมตอบก็เมาถึงนบีอิบราฮิมกล่าวว่าบัลฟาอะลาหูกาบิรูหุมมีใครคนหนึ่งเขาทามันบัลฟาอะลาหู เขามีคนหนึ่งทำมันบัลฟาล้าแลหูมีคนหนึ่งทำมันใครละ่ะกาบีรูหุมตัวใหญ่ของมันคนที่ทำลายเนี่ยมันจะฉันกาบีรหุ ม, ต, มตัวใดกาบีแะว่าใหญ่ตอกหน้ากลับไปเลยกาบีรูหุมตัวใหญ่ของพวกมันนี่นะเป็นคนทำฮาดาอันนี้แหละ ตัวใหญ่ตัวนี้แหละอัลลอฮ์นี่เป็นคําตอบโดยการอิลามจากอัลลอฮ์สุบฮานาหูวะตาลาและพูดต่อนหน้าประชาชนเป็นแสนนะฉันไม่ได้ทําแต่อะไรทำตัวใหญ่มาทำอัลลอฮ์พอพูดอย่างนี้ไปต่อนหน้าประชาชนเนี่ยเหลืออะไรอ่ะนี่อ น, นาบีที่มาทํางานสัวัดหนักไหมหนักครับและพูดภาษานี่นะ ไม่มีใครพอใจแั่คนหนึ่งบาลฝาลาหูกาบีรูห์มอ๋อมีใครคนหนึ่งเขาทำมันนี่คือตัวใหญ่ของมันนั่นแหละฟาสอาลูห์มซาอาลัยยัสอันแปลว่าจงถามฟาสอาลูห์มจงถามพวกมันดูสิอิงกาณุยมติกูนในตัเซียงภาษาอุ ด, ดูอธิบายลว่าจงถาม จะเวทตัวใหญ่อยู่ตัวใหญ่อยู่องค์หนึ่งและที่เหลืออยู่และตัวเล็กๆที่ถูกทำลายด้วยรวมทั้งหมดเนี่ยลองไปถามดูสิอิ่งกาหนูยำตีกูนถ้าพวกมันพูดได้อายานี้ต้องการจะอธิบายอย่างนี้นบีอิบรอฮีมนี่นะไม่เคยพูดโกหกเลยในชีวิต แต่นบี ม, มุฮัมมัดสอนเองว่านบีอิบรอฮีมพูดโกหกอยู่สามครั้งในชีวิตของท่านนบีนบีนี่ไม่เคยพูดโกหกไม่ว่านบีคนไหนแต่นบีอิบรอฮิมเนี่ยพูดโกหกอยู่สามครั้งนบี ม, มุฮัมมัดเล่าเองครับนี่โกหกครั้งแรกเลยไงใช่ใช่ใช่ภาษานี้บันฝาเลาหูกับีรูมนบีอิบรอฮีมเป็นคนทําลายรูปจะเวตีตเองแต่เวลาตอบกับประชาชนว่างไงนะตัวใหญ่มันทํา นี่เป็นการโกหกโกหกอย่างนี้เคยว่าโกหกลินลาโกหกเพื่ออัลลอ์เพื่อให้คนนั้นทิ้งการกราบรูปเจเวิตหันมาบูชาในอัลลอฮ์องค์เดียวนี่โกหกครั้งแรกครับครั้งที่สองก่อนหน้านี้น บ, บีบะฮิมโกหกอีกตอนที่พ่อเนี่ยพ่อชวนนีบบะฮีมออกไปงานประจำปี ที่ชนบทอิบราฮิมก็ไปออกไปได้แต่ระหว่างทางไปเล็กๆไปไปนิดหน่อยก็ไปแก้งลง้มไปแก้งลง้มพอล้มภาคก็บอกว่าอันนาสติมฉันเดินทางไม่ไหวฉันป่วยฉันขอกลับท้กคนก็เดินไปกันหมดอิบราฮิมที่พูดว่าอันนาสกิมฉันฉันป่วยนี่โกหกโกหกรั้นที่สองบันฝลวูกบีรุมนี่โกหกรั้งที่ 2, ครั้งที่หนึ่งที่หนึ่งที่สองหนะน้าอันที่สามมีอีกข้อนี่ก็หกครั้งที่หนึ่งฉันป่วยก็หกที่สองตัวใหญ่มันทําก็หกครั้งที่สมตอนพาภรรยาเข้าไปเมืองอียิปผ่านเมืองอียิปภรรยาณบีอิบรอฮีก็สวยได้ไม่สวยสวยมากเลยอ่ะเอาล้อให้นะแต่ละคนแต่ละคนนี่ภรรยาสวยหมดเลยยิ่งนบีมุฮัมมัดเนี่ย ท่านยิงไอาชาเนี่ยผมอ่านพระดีิเมื่อคืนวันศุ่นนี่สวยมากเลยนะยิงไอาชาเนี่ยวันที่นางไอาชาถูกใส่ร้ายว่าเป็นชู้เนี่ยนะนางไอาชาเนี่ยร้องให้เดือนนึงออนั่นขณาดครอบครัวนบีนะร้องให้เป็นเดือนรอวะฮีเมื่อไหร่วะฮีจะลงมาเป็นเดือนครับ ก็ไปไม่บอกกับนบีบนกนบีชาฉันจะไปอยู่ที่บ้านกับแม่นบีก็กลับไปเลยกลับไปไปอยู่กับแม่พอไปหาแม่เนี่ยแม่นางไอาชาเนี่ยพญาท่านอบูบักเนี่ยพูดอย่างนี้ไอชาเ อ, อ๋ยเธอเป็นคนสวยนี่นี่วิธีการสอนพ่อแม่นะก็อเอารูปแบบของนางท่านออพระญาท่านอบูบักรมาจะยงไอาชาเนี่ยพูดบอกใจลูกสาวว่าเธอเป็นคนสวย ข้อที่สองเธอมีสามีดีอันที่สามเธออยู่ในสิ่งแวดล้อมที่สะอาดเธอมีอยู่สามรายการหนึ่งสวยสองสามีดีสสิ่งแวดล้อมที่สะอาดลูกเอ๋ยชาวบ้านเนี่ยเขาอยู่กันแบบนี้แหละอัลอาคุบัสชาวบ้านอยู่แบบนี้แหละเพราะชาวบ้านเนี่ยไม่มีโอกาสได้ฟังศาสนาไม่มีโอกาสจะเรียนรู้เรื่องศาสนา ยุ่งกับเรื่องไร้สาระทั้งหมดฉะนั้นเจอใครทําอะไรไม่ดีเนี่ยโ อ, โอ้โหเหมือนกับเจออาหารอร่อยเลยนะป๊อปป๊ใส่ใสด่าดว่าว่าว่าว่าสังคมอยู่แบบนี้นะลูกเออเห็นไหมครับฉะนั้นนางซาราในนะเป็นภรรยาอบอเบีรอิบราฮิมที่สูไวที่สุดวันนั้นน่ะนบีอิบราฮิมไม่ได้อยู่นั่งอยู่ที่บ้านนะท่า นบีทุกคนต้องออกเดินทางหมดเดินทางไปไหนครับเป้าหมายเพื่อไปสอนศาสนาเจานี่พาภรยาเข้าประเทศอียิปป์พอเข้าไปป้าเขา ม, มีทหารยืนคุมอยู่นะ่ะเขาก็แจ้งข่าวว่ามีผู้หญิงสวยคนหนึ่งมาเขาบอกจับเลยพอจับเสร็จแล้ ว, วก็ส่งไปให้กษัตริย์นะ่ะส่วนนบีอิบราฮิมสั่งภรยาสามเรื่องคุณอย่าบอกว่าคุณเป็นภรยาฉันนะนี่ก็หกคั้ที่สาม คุณอย่าบอกว่าทุนเป็นภรรยาฉันแต่ให้พูดว่าไรนะเป็นอะไรนะเป็นพี่น้องเพราะวันนั้นมีมุสลิมแค่สองคนเองในประเทศอียิปต์ที่เดินเข้ามาเนี่ยมีมุสลิมอยู่สองคนแล้วมันคาเฟนหมดเลยฉะนั้นพูดโกหกคันที่สามทำไมต้องพูดโกหกล่ะเพราะวันนั้นน่ะเขามีกฎกติกาอยู่ว่าถ้าหากเป็นพี่น้องกันแล้วเขาจะไม่ทําสีน า, ากัน ถ้าพาถ้าพี่พาน้องมานี่นะเขาจะไม่ให้เก้าให้เกียรติกิจการละกันก็มีกฎข้อบังคับอยู่ข้อหนึ่งแต่ในเมื่อตทหาเป็นสามีภรรยากาันก็เอาเลยแต่กษัตริย์องค์นี้เพราะความสวยเนี่ยลืมหมดเลยพอต้องการจะจัดจ ก, กอดเนี่ยจะกระดนางซารอเนี่ยนางซาร์รทำสามข้อนบีสั่งหนึ่งมี 5, นม้ํานามด 2, าดสองนามาดสองเราก็อัดสามขอดูอาต่ออัลลอฮ์นี่นบีอิบรอฮีมก็ทำสามข้อ สั่งภรรยาก็สามข้อหนึ่งเธอก่อนจะเข้าไปหากษัตริย์โหดร้ายคนนี้นะเธอกเก็บนํานำมาศเอาไว้สองนมาศสามขอดุอานางก็ทําหน้าที่ของนางนาย บ, บีอิบรอฮิมก็อยู่ในเต้นรอภรรยาว่าจะออกมาเมื่อไรก็ทำสามรายการหนึ่งอ่านหนังนมาศสองนมาศสามขอดุอานางก็ขอดุอารสาอิบรอฮีมก็ขออุทธรณ์พอเข้าไปพอจะกอด เป็นอำมาตไปเลยนั่งขอทูอ้าให้ใหายทําอย่างนี้ถึงสามครั้งกษัตริย์ว่าโอ้มึงพาใครมาวะเนี่ยถูกตัวก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้อุลมามะแนะนําบอกว่าวันนี้ถ้าใครไปกอดผู้หญิงไม่เป็นอำมาตย์นะดีแล้วนะถ้าไม่เป็นอำมาตย์บนโลกดุนยาต้องเป็นอำมาตในโลกอคัครย์ยกเว้นคนเต่าบ้าตัวต่อล l l a h กรณีเนี่ยที่นางซาร่ถูกกอดนี่แหละแต่เนื่องขอดวงอาต่อร้อนอนะเพราะฉะนั้นวันนี้ต้อบอกลูกชายเราลูกสาวเราอย่าไปกอดใครง่ายๆนะถ้ากอดคนที่ไม่ใช่เป็นลูกสาวของเราไม่ใช่ภรรยาเรานะกอดด้วยชาว่าด้วยอารมณ์ไข่นะต้องเป็นอมภาษทุกคนแต่ถ้าไม่เป็นวันนี้ก็ต้องเป็นในโลกอาต้อระอนยกเว้นคนเต่าบ้าตัวต่ออัลลอฮฺ س ب ح ا ن าและก็ุ์ต่างๆพี่น้อง ท่านอบูฮุเรยรอเล่าบอกว่าหลังจากนางซารอ้อนี่ออกมาจากกษัตริย์เนี่ยแล้วก็กษัตริย์ได้ถาวายผู้หญิงมาอีกคนหนึ่งมาไปผู้รับใช้ชื่อนางอะไรนะนางฮาจัดอัลฮัมดุลิลละนบีอิบรอฮิมพอเห็นนางฮาจัดมาเดินมาจากการมาอยู่บ้านเดียวกันทําไงขอมิกาอัลฮัมดุลิลละนี่เป็น เรื่องดีทั้งหมดเลยแต่ภรายาคงไม่ยอมหรอกนะก็ไม่มีปัญหาก็เรื่องประหลัดป ร, ประบอบาเล่ามาท่านเป็น้องฟังอ่ะทีนี้เรื่องความหึงเกื่อนความหึงในในคุณ อ, อธิบายอธิบายไป่หมดนางซาราเนี่ยเป็นภรายาคนแรกพันลูกไม่มีอ่ะแล้วต่อมา่ะมาได้ภรายาคนที่สองชื่อนางฮาญาดเนี่ยแล้วต่อมาก็มีลูก ในตัปสิทอธิบายดีนะเขาบอกว่าการเจาะหูการเจาะหูที่ภาษาอุรุณนะการเจาะหูนี่นะครั้งแรกในโลกเนี่ยรู้ไหมเจาะหูใครเจาะหูนางฮายาตที่เจาะหูเนี่ยนบีบรอฮิมกับนางซาโรนางฮายาตเนี่ยตกลงกันว่า อย่าให้นบีอิบรอฮีมเนี่ยสูงสิงกับภรรยาต่อหน้าภรรยาอีกคนหนึ่งพอเขารับปากรับคำกันเสร็จแล้วก็เพราะลูก อ, อิสมาอินน่ารักน่ะนบีอิบราฮิมก็ไปไปคุยกับลูกไปยิ้มกับลูกก็มาอยู่ใกล้านางฮาจัดด้วยสาร้อยเห็นท่านั้นแหลอะอบอกกันแล้วมันจะว่าห้ามสูงสิงบทลงทโวยก็คือต้องเจาะหู นั่นนางฮะยัดต้องถูกเจาะหูเจาะหูครั้งแรกเพราะเป็นการอะไรนะลงโทษเพราะเจาะหูปั๊บเี็กเขาเอาอะไรมาใส่รู้เปล่าเอาต้นข้าวสาลีน่มันดำเพราะใส่แล้วมันสวยกวาเก่าอีกและยิ่งรักมากก็าเก่าอีกอก็ผู้ชายนะเจอผู้หญิงสวยๆนี่ลืมกันนะเ <laughs> พราะเจาะหูปั๊บเนี่สวยเลยทมดุริเล่เยีงสม ยิ่งรักมากขึ้นและเป็นไงใช่ไหมอัลลอฮฺสั่งบรหิมพานาหฮาจัดกะอิสมาอินไปไว้ถิ่มักกะตะทำเหล่าที่เป็นประวัติเรื่องความรักความหึงหัวใจนั่นเจาะหูครั้งแรกในโลกนะใครนะนางฮาจัดพอเจาะแล้วเนี่ยเอาต้นข้าวสาลีมมาใส่กับมอบิวตี้ฟูลสวยกะเก่าอี่างกะทำดูดิเลยวันนี้ก็เจาะกันทั่วโลกเลยตามใครตามนางฮาจะถามที่มารูมัดไม่รู้ ครับเอาต่อมาครับอายาที่64คําคำว่าอีกคำหนึ่งฟัสอาลูฮุมจงถามพวกเขาในคัมภีร์คุณอ่านอธิบายอีกไม่ไม่อยู่สองสองอายาเอาล่าพูดนะไม่อยู่สองครั้งในคัมภีร์คุณอ่านแบอบกว่าฟัสอาลูฮุมอะลาดิครืออิงกุนตุมลตาตลมนูนให้ถามเขาเนี่ยถามคนมีความรู้ถ้าท่านไม่รู้ไม่ใช่ถามนบีอิบราฮิมอย่างเดียว ยิบระฮิมเดบุคุนไปถามรูปเจเวทคําว่าจงถามในกามพรีกุณอา่านอธิบายไปสองครั้งครั้งที่2อธิบายไงนะจงถามคนรู้ถ้าท่านไม่รู้นี่เป็นการเคลียร์ปัญหาของสังคมแต่หาท่านพี่น้องต้องการอยากจะรู้พวกฝรั่งมันถามว่างัยนะในกามพรีกุณอาอ่านจะสอนทุกเรื่องหรืบอกใช่สอนวิธีการคนวณวิธีการทําผนวณปันหรือเปล่าบอกสอนครับอา้ย่าไหนเปิดดูซิ อันนี้ก็เปิดเปิดเจออายานี่ไงาฟาสอะลูอัลลัดวิคริอิงพุ่นตุ่มลาตอละมูนถ้าท่านต้องการจะทำขนมปังให้ไปถามคนที่ทำขนมปังเก่งนี่แหละมาจากมาจะอาะอัลกุรอานทั้งหมดตัวลงว่าเราต้องเรียนตลอดเวลาเรียนจากใครละเรียนจากคนที่มีความรู้ท่านัดด้านไหนจะทำขนมม้แกงอร่อยก็ต้องถามขนมม้แกงจะทำข้าวหมกอร่อยเ ร, เราก็ถาม่บิลลนเราเนี่ทำข้าวหมกอร่อยนี่ใช่ไห จะทาแกงจืดอะไรก็ต้องถามภรรยาเรานังถามคนที่มีความรู้เป็นปฏิบัติตามอัลกุรอานอัยยานีเอต่อมาอายะที่กฟาโรจาอิลลอัมฟุซิฮิมฟาโกลูอินนักุมอันตุมุลิมนฟจาอิลอัม ฟูชีห์ม์ فقالوا إنكم أنتم مضالمون ظ อยายะนี้สอนสองเรื่องครับเรื่องที่หนึ่งฟ <ت ص في ق> าร์ยาอีลาฟูชีห์ม์พวกเขาก็หันกลับมายังพวกเขาเองที่เรกมาจ้องน บ, บีอิบราฮีมกันหมดผมจะพูดว่ายังไง พอเดิวมตอบตอบตอบตอบประเด็นดินลแล้วคอแล้ว้อแล้วก็ตอนนี้หันมาหางใครแล้วหันมาถางพวกกันเองแหละคูมองหน้ามึงปล่าฝรัจาอีลาอังฟูซิฮิมหันมามองรอยาวพวกเขาหันกลับอีลาอังฟุซิฮิมมายังพวกของเขาเองนั่งกันเป็นแสนกลางสนามหันมาหาพวกกันเองแล้วว่างไงครับ ฟาลูพวกเขาพูดในตำสิทธิ์อธิบายว่าพูดตําหนิไม่ใช่พูดธรรมดาพูดตําหนิตําหนิกันเองพูดตําหนิกันเองพูดว่าไงนะอินนักุมแท้จริงพวกท่านอันตุมก็เหมือนกันคุณเนี่ยอินนักุมอันตุม่มแท้จริงพวกท่านพวกท่า น, พ, านพูดย้ำกี่ครั้งนะสองครั้ง อวอ ล, ลิมูนเป็นผู้อธรรมเป็นคนเลวเป็นคนทำผิดวอริมแปลว่าเลวอธรรมนี่ว่ากันเองตํามนิกันเองเนี่ยอัลลอฮ์เล่าเรื่องวันนั้นให้นบีมูฮัมหมัดฟังหลังจากที่ได้ยินคําสอนของนบีอิบรอฮีมพูดกลางกลางสนามคนเป็นแสนพอฟังจบแล้วนะแทนที่จะมองหน้านาบีฮิมไม่มองแล้วมองใครหันมามองพวกกันเองเองผิด มึงน่ยผิดมึงเนี่ยผิดนี่อัลลอฮ์เล่าเลยเห็นยังครับเนี่ยเล่าเรื่องจริงๆวันนั้นให้เราฟังให้นบีอิบมาฮิมฟังอัลลอฮุอะลลอฮอาจานี่ต้องการจะบอกอย่างงี้หลังจากที่ได้ฟังนบีอิบรอฮีมพูดเพิ่งเข้าใจอัลลอฮ์เพิ่งเข้าใจว่าการบูชารูปเจเวตที่เป็นหินนั้นไม่มีประโยชน์อะไรเลย พวกท่านได้ทําได้ทรมานได้อาธรรมแต่ตนเองเพิ่องหูตาสาว่าง Allah, อัลลอฮฺอักุบะดีนองกรัรเนี่ยการสอนเนี่ยสำคัญที่สุดนะสอนด้วยเหตุผลสอนด้วยโดยรด้วยมัคลาดที่ดีมารยาทที่ดีด้วยภาษาที่ไพเราะเนี่ยทำให้หูตาสาว่างพอหูตาสาว่างเสร็จแล้วเนี่ยก็หันมาด่ากันเองอก็โทษมึงโทษกูกันนะเหมือนกันนะ ยังกับพ่อแม่เราไงนะสอนลูกในทางที่ผิดพอสอนลูกลูกมันเสียแล้วตอนนี้เริ่มด่ากันเองและ้ะกับพ่อเองนั่นแหละเมียกับพ่อพี่นั่นแหละใช่ไม่ใช่เหมือนกันวันวันวนู่นก็เหมือนกันแล้วอนาคตจะเป็นอย่างนี้อีกต่อไปถ้าทำอะไรมันผิดเกิดขึ้นในครอบครัวส่วนใหญ่ก็จะเล่นกันเองพ่อด่าแม่แม่แมแมก็ดา่าพ่อ เองเลี้ยงลูกยังไงแต่ไม่ลูกติดนุ่นติดยง ต, ติดยาทะเลาะ ก, กันเองตามหมดเลยฉะนั้นวันนี้ต้องเอาหลักการอิสลามมากํากับชีวิตถึงจะปลอดภัยอย่างอื่นไม่มีครับถ้าไม่เอาหลักการอิสลามมาแก้ปัญหาสังคมนะแก้ไม่ได้พอแก้ไม่ได้เสร็จแล้วก็มาทะเลาะ ก, กันเองแบบท่านพี่น้องที่บูชารูปเจเวตพอานบีอิบรอฮิมาอธิบายความเรื่อดากันเองใช่หรือไม่ใช่ ใช่ครับฟาราญอีละอัฟุซิฮิมดังนั้นพวกเขาก็หันกลับมาอย่างพวกเขาป็นเองมาทำไงครับฟาก็รู้พวกเขาพูดตำหนิซึ่งกันแลวกันอินน k ก m ุมอันตุม่มแท้จริงพวกท่านพวกท่านอั l ลอฮฺเลมเป็นคนอาจทำอัลลอฮฺอัลกรุรอิอทั้งหลายเป็นท้องครับ คนอธรรมเนี่ยนายคำพีกุลอ่านมีใครบ้างพี่น้องนี่ผมก็บันทึกมานะโอ้ต้องอ่านหนังสือเยอะนะพี่น้องคนอธรรมนายคำพีกุอ่านพูดถึงเจ็รายการคนซ้อเลมเนี่ที่อัลลอฮฺตำหนิว่าเป็นคนซ้อเลมเน่พวกไหนบ้างหนึ่งคนที่บูชาลูกวัวเป็นพระเจ้าอ่นนี้ขอเรื่องทีหนึ่งนะที่คำพีกุลอ่านอธิบายนะ ใครก็ตามที่บูชารูปจจเวตแทนอัลลอฮ์โดยเฉพาะยิ่งรูปบัวรูปบัวที่ซามีรีชื่อมูซาซามีรีเป็นคนสร้างให้นะ่ะนั่นเป็นคนซซเลมแล้วคนซอเลมนี่ตาจะตกนรกนะ่ะเรื่องที่สองคนที่ละเมิดขอบเขตคำสั่งของ Allah. อัลลอฮ์อัลล์สามแค่นี้ทำเลยไปนั่นเขาเลยละเมิดขอบเขต จะเป็นด้านศาสนาด้านสังคมด้านการเมืองก็ตามถ้าละเมิดขอบเขต ท, ที่อลัลลอฮ์กำหนดไว้คนนั้นเป็นคนจอเลมเป็นคนอาธรรมเป็นคนเลวตายตกนรกถ้าให้ตาบ้าตัวต่อลอข้อที่สาคนละเมิดมีอะไรบ้างครับคนที่เชื่อว่าอัลลอฮ์ไม่มีคนที่ไม่เชื่อว่าอลัลลอ์มีนะครับนั่นเป็นคนจอเลม อลหนักได้พี่น้องเอาเรื่องที่สีคนซลเลมมีใครบ้างคนที่ไม่เอาอาลัลกรุรอานมาตัดสินชีวิตไม่เอาหลักกรุรอานมาตัดสินชีวิตอย่างเนี้ยเราเรื่องมรดกผู้หญิงหนึ่งส่วนผู้ชายสองส่วนมองดูมันไม่เป็นธรรมจริงๆ่ฉันไม่เอาหลักอิสลามฉันขึ้นศาลอ่านี่ละ อาลไทยนี่แหละมตัดสินเท่าๆกันนั่นแหละนบันเกียร์มาถูกเล่นงานจะอลลรพาเป็นคนจอลลมว่มัลลามยักุมบิมาอันซลัลลอฮฟาอูลาอิกรุมุจอเลมุนใครที่ไม่เอาอัลกุรอานมาตัดสินชีวิตมาตัดสินคดีความที่เขาขัดแย้งกันคนนั้นเป็นคนจอลลมอันที่4อันที่5้าคนจอเลมนั้นอัลลอฮฺจะให้การลงโทษชนิดหนึ่งคือน้าท่วมในคอธรอมีแล้วใช่ไห น้ำท่วมอย่างหลายปีมาแล้วนะที่อยุทยาก็มีแล้วน้ําท่วมสมัยนบีนัวก็มาแล้วนั่นเป็นคนซอเลมหมดเลยอ่ะฉะนั้นอา่อานอุษานต้องได้ข้อคิดอลัลลอฮ์คนโอเลมคนอธรรมอลัลลอฮ์คนอะธรรมอลัลลอฮ์ลงโทษบนดุนยานี่น้ําท่วมนะถ้าลงโทษในโลกอาคิดว่าแบบไหนจับโยนใโลกหมดอ่ะเอาต่อมาครับข้อที่หก คนที่ทําผิดแล้วไม่ยอมเตาบ้าตัวต่ออัลลอฮ์ใครที่ทําผิดแล้วไม่ยอมตาบ้าตัวต่ออัลลอฮ์แต่ี่อิสลามเป็นศาสนาเดียวที่สอนบอกว่าใครทําผิดก็ได้แต่ต้องตาบ้าตัวต้องเตาบ้าครับจะนั่งยาอยู่เฉยเฉยอยู่กระทั่งตายอ่ะไม่ได้ถ้าตายในสภาพที่ตัวเองมีความผิดและยังไม่ได้ตาบ้าตัวต่ออัลลอฮ์ ฟาอูดะเอกาหุมุซโรมเขาเป็นคนซลรมเป็นคนอธรรมสร้างความเดือร้อนให้กับตัวเองนี่ข้อที่หข้อที่เจ็ดครับว่ามายาจาวันละหุมไครที่หันหลังให้กับศาสนาอิสลามอัลกุรอานและสุนนะของท่านนาบีคนนั้นแหละเป็นคนโรมอัลลอฮ์มีอยู่หมีอยู่เจ็ดเรื่องด้วยกันคนอลรมอันตารายครับ ดันอยาให้อัลลอฮ์ตำหนิเราเป็นคนเลมอัลลอฮ์พี่น้องอ้าต่อมาอายาที่เท่าไรนะอายะที่ห3 6ิสี่นะครับพี่น้องซุมมานุกีซูอลารูซิฮิมล้ก็ด้ลิตมาฮาอุลาอยัมติกุน S <S um a ุ a นุกิสูกลา رؤوس ิม لقد علمت ما هؤلاء ينطقون ก่อนจะอธิบายอายานี้อธิบายเรื่องเตาบนีนึงเตาบ้เนี่ยทยังไงบางคนยังทไม่ถูกเลยนะเตาบเตาบเนี่ยถ้า ไม่เกี่ยวกับเรื่องเงินนะนะให้ทำสามเรื่องหนึ่งให้เสียใจสองให้ถอนตัวออกจากความผิดอันนั้นสามไม่หวนกลับไปทำอีกครั้งหนึ่งมันกเกียวเต่าบาตัวเช่นขาดนามาทำสินาด่าคนน น, นินทาคนนี้ใส่ร้ายเขาต่อยเขาตีเขายังไงเนี่ยพวกนี้นะตัดต่าบาตัวต่อละ ท่าเรื่องการเงินก็ต้องไปขอมาอาบเขาถึงบ้านนะนินทาก็เหมือนกันต้องไปขอมาอ้าบเขานะไปต่อยเขาก็ต้องไปขอมาอ้าบพาถึงบ้านนะเตาบ้าตัวถ้าเกี่ยวกับเรากับอัลลอฮ์ให้ทำสามเรื่องถ้าเรากับมนุษย์ให้ทำสี่เรื่องนี่เตาบ้าตัวต่ออัลลอฮ์ท่านส่วนใหญ่เขาจะดักกันในวันอีนนั่นแหละเนี่คนนี้ก็วางแผนอย่างดีฉันสลาก ตาวานะขอมาอาันะนึกหมดเลยมาอาัมีกี่เรื่องยี่สิบน้องตวาวาเรากับอัลลอฮ์ทำกี่ข้อนะสามข้อเรากับเพื่อนมนุษย์ด้วยกันต้องทำสี่ข้อนะครับเอาต่อมาอายาที่65ส้าซุมมานูกิสูอาลาอาลารูซิฮม แล้วก็ดาลิมตามาฮาอุลัยอมติกุนซุมมาหลังจากนั้นนุกิสูนุกิสูเ่า ก, ก้มลงก้มลงก้มลงนี่เป็นภาพที่อัลลอฮฺเล่าเรื่องจริงๆของมนุษย์นิสัยของมนุษย์เป็นแบบนี้เวลาอาย เวลาสำนึกตัวว่าตัวเองผิดทำไงนะรูอูสปว่าศรรีษะเขาก้มศีรษะของเขาก้มอย่างเี้ยเขาเรียกว่าคออะไรคอตก <c oughs> นี่นิสัยของมนรรุษย์ทั่วโลกเมื่อถูกจับได้หรือเข้าใจเองหลังจากอธิบายเสร็จกูหนึ่งทำผิดมาตลอดเลยว่าแล้วอขอ นูกซ uh ูอาลลรูซิฮิมขั้นแล้วศีรษะของพูกเขาก็ก้มลงคอตกด้วยความอาย oh. อัลอ น, นี่นิสัยเดิมของมนุษย์ที่สำนึกผิดต้องเป็นแบบนี้ทุกคนลูกเราก็เหมือนกันถูกจับได้สารภาพเปลดแปลงง่คอตก <laughs> นี่คอตกกลา ง, ลางสนามนะเป็นแสนเลยนะ <laughs> รวมวถึงกษัตริย์นมรุญด้วยคอตกแต่นี่พอตกแล้วกูต้องคิดสู้ต่ออะมีอีกไงกูตกไปก่อนยอมสองวันวันที่สามกูวางแผนใหม่ก็ว่ากันไปทีนี้พูดในเรื่องคอตกเนี่ยคอตกอีกคั้างหนึ่งตอนไหนนี้ตอนนี้เขาจะคอตกบนโลกดุนยาถ้าคอตกบนโลกดุนยาแล้วสำนึกผิดเตาบัตตัวต่ออัลลอ หันมาเรียนศาสนาใหม่นะมาเรียนเรื่องอัลลอฮ์ใหม่นะเขาเด่นไหมเด่นมากเลยแต่ถ้าหากว่าคอตกแล้วไม่ยอมเตบาบะตัวต่ออัลลอฮ์ไม่ยอมสารภาพผิดไม่ยอมเปลี่ยนแปลงตัวเองเห็นไหมครับดันทุรังตอบ ว, วางแผนสู้ต่อไปอีกเขาจะไปคอตกอีกครั้งหนึ่งในวันตียามาในกุรานพูดคอตกสองครั้งเองพูดไม่เยอะคอตกครั้งแรกก็คือ ตอนที่ตัวเองสู้ไม่ได้เลยจนด้วยหลักฐานเลยยอมรับผิดแล้วถ้าหากไม่ยอมตตาบ้าตัวไปต่อคอตกอีกครั้งในวันเกียมา ด, ดูกุณอ่านครับว่าาต่รออิริมุญรีมูนาเนกิสุรุหุสิห์อินดารบบิห์มรับบานาอับซอร์นาวาซามีอานาฟัดยานาหน้ามัน صالح อินมูตีนูโซร์ไหนเนี่ยออารอสยายจะจะอ่านทุกวันศุกร์เลยแต่กูไม่เอาสอย่าง <c oughs> กูไม่เอา <c oughs> กูอ่านกูอ่านอย่างเดียวก็ไม่รู้ความหมายอ่ะดูกูอ่าอนญญนะย่านี้ถ้าหากอาลัลลอฮ์บอกนะมูฮัมหมัดเอ๋ยถ้าหากท่านนินาเห็นคือสามารถเห็นได้เห็นล่วงหน้าแต่ไมเห็นล่วงหน้าไม่ได้แต่อลัลลอฮ์เล่าให้ฟังว่า ภาพวันกิยามาเป็นอย่างนี้ถ้าฮามุฮัมมัดได้เห็นบรรดาผู้มีความผิดมุจลิมคนมีความผิดทําไงครับทําศีรษะของพวกเขาตกทําคอตกด้วยความอายอินดารอบบิหิมต่อหน้าพระผู้อาภิบาลของเขาในวันกิยามาที่ทุ่งมาซัดนูนไปนั่งคอตกฮนะ บนดวงยาก็ตกมาแล้วททนึงยังดันต่อไปอีกแต่ี้ไปเจอของจริงในวันเกียรมาคนะอตกจริงๆละแล้วลพูดยังไงรู้ไหมรับบานาอั บ, บอาซาร์นาอัลลอฮ์จ้าอั บ, บอาซารนาฉันเห็นแล้วเราไม่เห็นอะไรเห็นว่าคำสอนของอิสลามนั่นเป็นเรื่องจริงอัลลอฮ์มีจริงมาลายอีกกามีจริงนบีมูฮัมมัดเป็นเรื่องจริง อบอนาเห็นแล้ววาสามนาะเราได้ยินแล้วไปสารภาพผิดไปขอตกตอนหน้าอัลลพูดแลสนะสัมนาวสาอาบออดนาเห็นแล้วได้ยินแล้วฟายอน า, นามัขอร้องอัลลอฮฺมกลับมาอยู่บนโลกดุนยาใหม่ได้ไหมอัลลโลกดุนยาหมดแล้ววันนั้นอ่ะหมดได้ไหมหมดหมดตกลงมาได้ยังไง หมดแล้วโลกดุรยาหมดแล้วตะวันพังไปแล้วดวงอาทิตย์ดวงอาทิต ย, ดตย์ดวงวันรวมกันตกหมดแล้วฟันยานาะโปรยส่งเรากลับมาอยู่บนโลกใหม่อีกครั้งหนึ่งมาทําอะไรครับน่มันซอลันจะมาทํางานที่สอนแหละอัลลอฮ์อุตษาหให้นบี ม, มุ hammad ม, มาสอนหาว่าคณะใหม่ดูดู ด, ด, ดไม่ยอมเชื่อมุมหมัดกันเลยนะครับแล้วก็ต่อมาครับ อินนามูกินูเราเชื่อแล้วเราศรัทธาแล้วเรามั่นใจแล้วว่าอิสลามนั้นมาจากอัลลอฮ์จริงนบีมุฮัมมัดเป็นเรื่องจริงสุนนะนบีเป็นเรื่องจริงกุ้นอ่านเป็นเรื่องจริงไปรอบสาภาพไปคอตกต่อหน้าอัลลอฮ์ในวันเต็มอัสตัคือรุนร้อนไนองนี้อ่านกลางยานทำอิมานเพิ่มมาฉะนั้นซุบมานุกิสูอัลลอฮ์รูซิฮิม ศีษะของวูเขาก้มลงคอตกด้วยความอายและพูดไงครับแล้วก็นาลิมต ะ, ะนี่คืะดันดันดั น, ด, นดันต่อไปแล้วก็นาลิมตะมาฮาอุลาอิยมติกนูนี่มาสู้ต่ออีกโดยแน่นอนยิ่งท่านรู้ดีไม่ใช่หรือมาฮาอุลาอิยมติกูนพวกเจเบตเหล่านี้มันพูดไม่ได้ นี่เป็นคําตอบของใครนะของประชาชนทั้งหมดเลยนี่ก็เรียกสู้แล้วถึงแรกนะคอตกคิดกูวางแผนยังไงดีวะอ่าวมัว่วอิบรอฮิมเมอร์จะคุณไม่รู้เดิพูดไม่ได้ก็รู้อยู่แล้วแล้ ว, ลวพูดทําไมอันนี้อะสู้ต่ออีกพอสู้ต่อก็ต้องไปโก้มหน้าเมาาื่อใดในวันเกี่ยมาต่ออีกเอา ล, ล่ะพี่น้องนี่คือกุรานนะครับสอนเรื่องชีวิตของเราเรื่องจริงๆเป็นแบบนี้วันนี้เราเองก็เหมือนกันถ้าเรายอมจำนน หรือว่าสู้เขาไม่ได้ก็ต้องยอมหน้าแตกแ ล, กล้วก้มหน้าคอตกไปภาคห น, นวางแผนสู้ต่อไปถ้าวางแผนสู้ต่อไปก็เรียกคนไหนดันทุรังเนี่ยรอเลมครับอย่าทำอายะสุดท้ายอยายะที6่6ของสิ6ัฟตอบูดูนามินดูนิลลาฮิมาลาญฟะอุุมชัยอลวลาญดุรุกุม ก็ลาอัฟตะบูดูนั้นในดูนิลลาไม่เลَ ا ีَฟَ้อุกม์ชัยอْว่าแล้วจะดุรุกม์อัลลอฮฺอัลอาบัตอาจารย์นี่องการจะสอนสองเรื่องครับอัฟตะบูดูนเขาอิบราฮิมกล่าวว่าดังนั้นพวกท่านเนี่ย สักการะ บ, บูชาอื่นจากอัลล์พวกท่านเนี่ยไปบูชาอื่นจากอัลล์ไปกราบอื่นจากอัลลอ์ไปขออื่นจากอัลลอ์อื่นจากอัลลอ์เนี่ยลามาลายามฟาอุบุมไม่สามารถให้อะไรให้คุณไม่สามารถให้ประโยชน์อะไรได้เลยนี่สิฟัตของของสิ่งบูชา ปืนจากอัลลอ์เนี่ยเป็นอย่างนี้แหละนะไม่สามารถที่จะให้ประโยชน์ได้ชัยอันแม้แต่เล็กน้อยก็ให้ไม่ได้อัลลอฮ์เนี่ยถ้าไม่อิมานเพิ่ม้คนอังอาลีมานเพิ่มนะอัลลอ์สอนนะ ก, กระพบกุรอานเลยนะมีบอิบรอฮีมพูดแทน Allah, อัลลอ์อาฟัตาอบูดูนมินดูนิลละพวกท่านเนี่ยยังไปสักการะบูชาอื่นจากอัลลอ์มาลายัมฟากุมที่ไม่ให้คุณแก่พวกท่าน แม้แต่นิดเดียวเวลาย่ดุรูกุมและไม่ให้ทุกข์แก่ท่านนี่ต้องการจะอธิบายว่าอื่นจากอัลลอ์เนี่ยให้ความสบายกับเราไม่ได้แล้วก็จะให้เราลาบากก็ไม่ได้นั่นอย่าไปเคารพสิ่งอื่นอย่าไปยึดสิ่งอื่นอื่นจากอัลลอ์ไม่ได้พี่น้องทีนี้ในคัฟีรกุรอานอนธิบายว่ามาลายัมฟ้าุกุมสิ่งที่ ทำแล้วไม่มีประโยชน์มีอะไรบ้างอะไรที่ไม่ให้ประโยชน์แก่สู่เจ้ารู้ไหมอะไรครับคุณจะทำอะไรก็าตามแต่นะคุณเช่นอะไรบ้างใครคิดจะหนีความตายอ่านกันไปคุณอ่านจะบาดีนะใครที่คิดจะหนีความตายท่าน จะหนียังไงยังไงก็ตามไม่สำเร็จล่ย่ำฝ่าอกุมไม่มีประโยชน์เลยเลิกคิดหนีความตายหนีไม่รอดล่ย่ำฝ่าอกุมอินฟิรอดอินฟารอดุมบินัเมาการหนีจากความตายไม่อำนวยประโยชน์แก่สู่เจ้าได้เลยถ้าหากพวกท่านคิดจะหนีคิดไม่คิดกลับตัวดีกวา่า ก็มีเครื่องบินในอเมริกาเขาให้ประธานาธิบดีนั่งโืยคนเดียวเขาเรียกอะไร Number one. Force one. ออนัมเบอร์วันฟอร์สวันสยางหนึ่งอะไรนะ Air ฟอร์สมีอยู่มีเครื่องลำเดียวนะให้ประธานาธิบดีนั่งหนีความตายขึ้นอยู่ที่ไหยกัยนเถอะอาละ ว, วาเชิญฉ <c oughs> ันจัดการเอง <c oughs> อัลลอฮ์ก็มีมีคนวางแผนจะหนีความตายแล้วมีไม่มีครับหัวหน้าคอมมนิสต์ของประเทศเนี้ยประเทศรศัสเซียเนี่ยเขาเอาโล่งมาใส่ไว้ต้องการจะจับวิญญาณเหมือนกันนะเ <orton> สร็จแล้วพอได้เวลานะ่ะมันแตกอนะ่ะทุกคนงงโมเลิร์มาได้ยังไงอ่ะมองไม่เห็นเลยนะ่ะ จะหนีความตายหรือจะจับความตายอ่ะไม่สำเร็จครับลูกสาวของปัฒนาทิบดีรัสเซียเนี่ยนี่เล่าเองมาสัมภาษณ์ที่ประเทศอินเดียทิ่เด ล, ลีเนี่ยบอกว่าฉันน่ยยืนเฝ้าอาการพ่อพ่อเป็นคนยูดีนะหน้าตาขาวหลอดีพอก่อนพ่อจะตายประมาณสิบนาทีเนี่ยพ่อหน้าเปลี่ยน จากขาวมาเป็นดำํำแล้วก็ลูกลูกสาวนึกในใจว่าฉันจะเอารูปแบบที่พ่อสอนเนี่ยไปสอนต่อพอม่เห็นศพก่อนตายน่ะเปลี่ยนจากขาวมาเป็นดําน่ะหนูเลิกคิดเลยไม่เอาแล้วความรู้ที่พ่อวางไว้ที่ประเทศรัสเซียต่องเป็นอย่างนี้อย่างงี้หนูคิดเลิกมันไม่เอาเลยไม่เอาเพราะว่าเห็นศพโอ้ โ, อ โ, อโอมันหน้าดำอย่างนี่แล้วก็สภาพที่ก่อนจะตายนียยกมือขึ้น ฉันไม่เอาฉันไม่เอาฉันไม่เอาเอาอคงให้เห็นนะเห็นมาลาอิกามามาดาบที่มาเอากระชากวิญญาณเนี่ยนะฉันไม่เอาฉันไม่เอ า, เอาแล้วก็ดำมี่มเลยนะเรื่องนี้เขาก็เก็บเป็นความลับอนะไม่เผยให้รู้แต่ลูกสาวมาให้สัมภาษณ์ที่ประเทศอินเดียนิวเดลี Delhi, หลังจากพ่อตายไปหลายปีแล้ว เ, เรื่องเรื่องที่สอง ไม่มีประโยชน์อะไรเลยมาลายามฟาอุกุมต้องการจะบอกว่าคุณหนีความตายไม่สําเร็จไม่มีประโยชน์เรื่องที่สองทำบาปแล้วไม่กลับตัวไม่มีประโยชน์มีแต่อันตรายกับตัวเองลายามฟาอูกุมุลเยามาอิซรอลำตุมในสุรัจุครูปอายาที่39ในวันกิยมะจะไม่เกิดประโยชน์อันใดแก่สูเจ้าเลยที่สู่เจ้าประพฤติผิดหรือทําผิด เมื่ออยู่บนโลกดุนยาจนกระทั่งตายแล้วไม่กลับเนื้อกลับตัวอย่าทำแบบนั้นเพราะละยาวโฟกุมไม่มีประโยชน์ใดกับคุณเลยสองเรื่องอ้าวต่อมาครับวาลา่ละยาวโดรุกุมและไม่ให้ทุกข์แก่พวกท่านไม่มีอันตรายใดๆแก่พวกท่านเป็นพระเจ้าและเอาทําอันตรายกับคนไม่ได้ลงโทษคนไม่ได้และไปบูชามันจะไม่ มีคำว่าลายาดุร um ุกุมในคัมภีร์คุณมีสองครั้งครั้งที่หนึ่งอลัลลอฮฺสอนนะครับอินตาสบิรูวัตตากูแต่ห่างท่านทั้งหลายซอบัตตอนมีปัญหาเดือร้อน น, นั่นนะทำไงนะให้อดทนสองให้หาตะกวาเพิ่มไลายาดุรุก um ุมใกล้ด uh um ูหุมชัยอะ อุบายหรือการวางแผนของศัตรูที่มาทำลายสู่เจ้านั้นทำลายไม่ได้เลยขอให้ทำสองอย่างเอาอเมริกาวางแผนทำลายมุสลิมใช่ไหมวันนี้นี่ให้ซาอุดีเล่นงานอีล่งานใครนะเล่นงานเยเมนลงระเบิดทุกวันทุกวันทุกวันอิรักกับอิรานแปีพอพออิรักเพลียอเมริกายึดเลย นี่ผมกลัวเหมือนกันนะถ้าอเมริกาเนี่ยถ้าซาอุดีเล่นงานเยเมนเล่นทุกวันสักห้าปีพออาวุธหมดเงินหมดอเมริกาว่าฉันขอเป็นเจ้าของประเทศแทนได้ไหมระวังคงกมควร น, นึกป่อยให้ทะเลาะ ก, กันโยธังเพรียแล้วอาวุธหมดแล้วเงินเงินซื้ออาวุธหมดแล้วเนี่ยอฉันก็เป็นเจ้าของประเทศแทนกุ้กุ้นนะ ข, ขอคุมน้ำมันต่อกันแล้วกจก้าบา้าเอ เ, อเองคุมไปกันแล้วกันพเพราะไม่กล้ายึดจะเป็นปอยรอนอาบาบินนกบินมาเล่นงานใช้ขอคุมบ่อน้ำมันกาบ้าเองคุมไปกันแล้วกันนึกนึ ก, นกอาจจะไม่ใช่ก็ได้อาจีอีขออ้อหนึ่งอะไรกุมอัมฟุสกุมลายาดูรุกุมมัมดอนลาอีจัดตาไดาตุมอายาที่สอง ลายดุรุกุมตระกาธิบายว่าไม่มีประโยชน์ันใดที่จะให้ทุกข์กับท่านนี่นะหน้าที่ของสู่เจ้าคือต้องการระวังท่านต้องระวังตัวเองนะครับระวังตัวเองให้ดีนะผู้ที่หลงคนที่ไม่เอาศาสนาไม่สามารถให้ทุกข์แก่สูตเจ้าได้เลยเนี่ยเราเนี่ยประคองตัวเองให้ดีให้มีศาสนาเอาไว้นะรอบๆข้างเราเนี่ยจะเป็นคนเลววันไห น, หนก็ตาม เขาไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเราให้เป็นคนชั่วได้ให้เรายึดอัลลอฮ์รซูลประคองตัวเองให้ดีถึงจะเป็นคนเลวกี่คนก็ตามรอบๆตัวเราืรอทั้งโลกเนี่ยไม่เอาศาสนาเลยเราเอาอยู่กลุ่มเดียวนี่นะอัลลอฮ์ก็จะคุมครองเราไม่ให้เราเสียผู้เสียคนนะดลาหยดดุลราคนั้นรูปเจเวตช่วยไม่ได้เอาทำไม แล้วก็ไม่ต้องกลัวว่าถ้าทรยึดอิสลามแล้วคนจะมาทําลายไม่มีปัญหากลับทำลายไม่ได้ถ้าตายก็จะตายอะไรนะตายช่อยอ่าลืมนะมุสลิมเวลาออกสงครามนะเข้าไปแล้วไม่กลับฉันออกสงครามฉันไปเพื่อตายในข่าวทหารอเมริกันเนี่ยออกเหมือนกันออกแล้วต้องกลับแต่ขอามุสลิมไปแล้วต้องตายมันต่างกันนอะ อกีดา้ามันก็ต่างกันอย่างนั้นใครกลัวมากกว่ากันไอเราเนี่ยไม่กลัวพรอออกแล้วตายถ้าไม่ตายอัลลอฮฺเป็นทำไม่ตายอัลลอฮฺอากรจะจบมีซอ บ, บ้านอาบับดุลข่านหนึ่งถูกฆ่าตายไปทํางานาศาสนาถูกยิงดุธนูเนี่ยพอยินปับ๊บคนที่คนที่ยิงน่ยมายืนอยู่ระหว่าที่คนล้มไปนะ่ะพอล้มไปแล้วก่อนจะเสียชีวิตฟุซตู ฉันชนะแล้วฟุตตูฉันชนะแล้วไอ้สตูมันก็นงงอ่ะเฮ้ยชนะได้ไงวะถ้าหามีลูกลูกเป็นเด็กกำพร้าจะมีเมียเมียเมียเมียเมียเป็นไม้ถ้ามีบริษัทออฟฟิศแล้วมันคนบริหารไม่มีมแ้วมันชนะตรงไหนวะไอ้คนนี้ก็เครียดต่อไปอีกอะไรไวะกูยิงมันตายทําลายมันแล้วมันตอนตายมันบูก๊กกูชนะแล้ว ถ้าชายคนนี้ก็ไปหาใครจะใครไปนั่งคุยอีกเดือนสองเดือนมาไปเจอมุสลิมว่าบอกอคุณไม่รู้คุณที่ตาย ش ه ีดเนี่ยอัลลอฮ์ให้ไปสวรรค์เลยแต่เด็กคุณยิงเขาเนะ่ะมดกัดเจ็บกว่าคนนี้รับอิสลามต่ออีกคนกูรับด้วยนั่น่ะมานาะบูซาสนอธิบายตรงไันะคนในสมัยนบีก่อนตายเขาสอนคนให้รับอิสลามได้ ตอนการจางจัดดาพวกมุสลิมอยู่ในประเทศอินเดียเนี่ยไม่ได้เคยสอนอิสลามให้ฮินดูเลยคนฮินดูรู้จักมุสลิมสองเรื่องโมโหเก่งกับตัดอะไรนะตัดวายวะเพศอาจารย์ทำทำคีตานถามว่ามุสลิมเป็นไงกับมุสลิมมีสองอย่างโมโหเก่งก็ชอบดา่าฮินดูกับอะไรนะตัดทํำคีตานแค่นั้นเองทา ง, ท, างทันติงคุณอ่านอธิบายทางอิสลามไว้ตเต็มไปหมดไม่ได้นำำาเอามาใช้ นี Muslim ่ต่อการจะสอนมุสลิมในอินเดีย سبحان องค์พระเ้ขุ่มมาบิหัมด็กกัจัลลีอิลละห์อิลลาัตักิรุะอตบุิลลมลัยกุมหมุลลอฮบรก